มีคนมาวัดบ่อยๆตายไปคนคุณบรรณสิทธิ์หัวใจวายสามีคุณอันชันไม่ต้องทำหน้าตกใจเมียเขายังไม่ตกใจเลย <c oughs> นักภาวนาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาที่สำคัญไม่ใช่ตายแล้วไปไหนอะไร เรื่องเล็กที่สําคัญคือตอนที่ยังอยู่เนี่ยอยู่อย่างไรพวกเรามีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าพวกเราภาวนาเมื่อปัจจุบันของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าตายแล้วเนี่ยไม่น่าห่วงหรอกไอ้นั่นมันเป็นผลปล่อยได้ผลปลอยได้ของคนที่ยังไม่นิพพานได้เกิดอีกเกิดดีๆ เจ้าก็ตายกันมาเรื่อยๆทุกยุทุกสมัยพวกเราไม่ได้มีชีวิตแบบไร้สาระคนในโลกส่วนมากมีชีวิตแบบไร้สาระไม่ได้พัฒนาคุณงามความดีในจิตใจเลยพวกนี้สมควรกลัวตายให้มากเพราะอนาคตเนี่ยมืดมนพวกเรามีสตินะ รู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆอยังไม่ทันตายนะเราก็ผ่องใสแล้ภาว น, ะนามากๆนะใสมากนะใส่ใส่ลงไปถึงร่างกายเลยพวกเราที่หัดเจริญสติไปช่วงหนึ่งเนะี่ยถ้าตอนป่วยหนักเนะี่ยหมอไม่ไปโตบยามากนะตายแบบธรรมชาติธรรมดาลองไปเผาดูสิมันจะขาวกว่ากระดูกมันจะขาวกว่าคนทั่วๆไปพวกเราก็เริ่มฟอกกระดูกกันละ กรดูมันเริ่มขาวขาวงัเรามีสตินะจิตใจมันสว่างพอเรามีสติเรื่อยๆนะจิตใจมันสว่างสวัยขึ้นมารัศมีของจิตเนี่ยมันซักฟอกร่างกายไปด้วยเหมือนฉายรังสีไปเรื่อยๆถ้าจิตใจเราสว่างสวัยอนาคตไม่มีอะไรน่ากลัวปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตมันก็มีความสุข คนในโลกปัจจุบันมันเต็มไปด้วยกิเลสปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความทุกขนะ์อนาคตมันก็มืดมนอนีกเยนพวกเราพร้อมอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้ตายก็ได้ไม่น่าเสียดายนะพวกที่ตายตายไปแล้วเห็นดีใจกันมีใจสดชื่นปลดภาระไปได้หลายคน มีคนหนึ่งเท่านั้นเอกซิเดนต์นั้นก็ยังดีนะไม่ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าไม่ถึงกับใสปิ้งพระเจ้าเลยสอนเราให้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะมีสติไปท่านบอกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความมีสตินะคืนเดียวมีคุณค่ามากกว่าคนมีชีวิตอยู่ร้อยปีสึ่ขาดสติ มีคุณค่ามากกว่าแน่ๆเลยเพราะว่าปัจจุบันมันดีอนาคตมันก็ดี้็ขาดสติตลอดอนาคตมันก็ไม่ดีปัจจุบันมันไม่ดีงั้นเรา่ะไม่กลัวหรอกถึงคลาวจริงๆขึ้นมานั้นจะไม่กลัวสังเกตไหมเวลาที่มีคนมาเล่านี่มาอีกลายละอุบิเหตุรถหมุนรถพลิกอะไรเงี้ย มีหน้ามาเล่าว่าไม่ตกใจเลยเนี่ยตัวไม่ตกใจันไหนเนี่ยมีเออเนี่ยไม่ตกใจเลยนะจนมันเลิกหมุนเลิกคลิกไปแล้วออกมาดูมันหน้าตกใจแล้วเลยตกใจ <c oughs> ถ้าไม่ตกใจเดี๋ยวดูผิดปกติมากไปไหน่อยมันช็อกเอาทีหลัง <c oughs> นี่นเราฝึกนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสติมันทํางานอัตโนมัติขึ้นมา จิตเป็นอนัตตาก็จริงนะจิตเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เหมือนเด็กงี้เด็กเป็นอนัตตาเราสั่งให้เด็กเก่งไม่ได้สั่งให้เด็กดีไม่ได้แต่เราฝึกมันได้ค่อ ย, อ, ยอบรมสั่งสอนจิตนี้เป็นอนัตตาก็จริงแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้คนทั่วไปมันก็ฝึกจิตให้เร็วลงเรื่อยๆเพราะว่าฝึกขาสติ ท่านถึงบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วจิตมีธรรมชาติไหลลงที่ต่ำไหลยแต่ต่ ำ, ต ำ, ตำไปเรื่อยเรืแต่จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้การฝึกจิตนั่นก็คือให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรยังไม่ละนะก็รู้ทันมันกุศลอะไรยังไม่เจริญก็หัดเจริญขึ้นมาจิตเศร้าหมองก็คอยรู้ทันนมันจะค่อยผ่องแผ้วผ่องใสขึ้น ค่อฝึกของเราไปเรื่อยๆอยังหัดใหม่ๆนานๆสติเกิดทีหนึ่งกิเลสความหลงนัื่งเกิดตลอดเวลาครับงาจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเคยหลงพอเรามาฟังธรรมนะั้นจิตเราตื่นขึ้นมาแรกๆก็นานๆตื่นทีหนึ่งพอจิตมันเคยตื่นแล้วเราก็ค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยอย่าลืมตัวเองค่อยรู้สึกบ่อยๆ จิตมันจะยิ่งตื่นมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งอ้อนวอนให้มันหลงมันยังไม่หลงเลยหลวงพ่อเคยเป็นนะเมื่อสักรวมยี่สิบปีไปแล้วภาวนาสติมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยนิ่มไปเห็นสภาวะที่มันไหวยิบยๆยิบยอยู่ข้างในพวกเราจำนวนมากเริ่มเห็นนะสภาวะนี้ไหวยิบยวบยิบยับคือมันเป็นความปรุงแต่งของจิตภายใน จิตส่วนในมันปรุงแต่งอยู่ถ้าสัญญาเข้าไปกระทบสิ่งที่ไหวออกมามก็จะแปลออกมาได้แต่ถ้าสติมันเร็วนะมันไม่ปรุงต่อรู้แล้วมันจบลงที่รู้มันก็เลยเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวๆอยูนะ่ไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทันมันไหวขึ้นมาทีแรกสนใจแนละ้วมันคืออะไรสนใจแล้วก็ค่อยดูให้ดูมันกลายเป็นถลำลงไปดู ไปจ่ออยู่ด้วยกันตลอดเลยเนี่ยจิตก็ไวๆนั้นไปจ่อจ้องอยู่จ้อง mm hmm. จิตมันส่งออกจิตมันส่งออกจิตมไม่ตั้งมันม่นจิตส่งออกไปจับอารมณ์อยู่นถึงจ ะ, จะเจริญกรรมฐานอยู่นะความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วจิตมันมีความอยากแทรกอยู่อยากรู้ให้ชัดจิตถลําลงไปจ้องไหวๆทั้งวันทั้งคืนเลยเต็ไมไปด้วยความทุกข์ สภาวะออื่นในเวลาเรารู้นั้นขาดสะ บ, บั้นหมดเลยความโลภความโกรธอะไรเกิดขึ้นนะพอเรารู้ก็ขาดไปใจลอยพอเรารู้ก็ขาดไปแต่ภาวะไหวๆนี่ไม่ยอมขาดเพราะโดยธรรมชาตินั้นจิตมันปรุงแต่งตลอดเวลาอยู่แล้วไอ้ที่เราเห็นปรุงหยาบๆเพิ่มมาเนี่ยของหยาบแล้วการปรุงชั้นในเนี่ยจะปรุงอยู่ตลอดเวลานไหวไๆพิ้วๆไ ป, ไ ป, ๆไปตราบใดที่ยัง ไม่หมดความปรุงแต่งไม่หมดอวิชชา ย, ยังไหวอยู่วัตถสุขสารนี่หมุนอยู่ข้างในหมุนหมุนหมุนหมุนมนจีจี จ, จีขึ้นมานะพอเราเห็นแล้วก็มีแต่ทุกข์ดูเลยก็ไม่ขาดไม่เหมือนกิเลสตัวอื่นเลยตัวอื่นดูแล้วก็ขาดดูแล้วก็ขาดทําไมมันไม่ขาดจริงๆมันไม่ใช่กิเลส อย่างจิตใจเรามีความสุขเนี่ยเรามีสติขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นว่าความสุขต้องดับแต่ถ้าเป็นกิเลสเนี่ยทันทีที่เรามีสติมันดับทันทีนั่นเป็นความปรุงแต่งไม่จัดว่าดีไม่จัดว่าชั่วยังไม่ได้ใส่ค่าอะไรลงไปเลยความปรุงแต่งเรารู้มันก็เห็นมันปรุงไปเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายก็คือลมหายใจมีลมหายใจอยู่ไม่ใช่เรามีสติแล้วมันเลิกหายใจ จิตมีธรรมชาติคิดไม่ใช่เรามีสติแล้วมันหยุดความปรุงแต่งข้างไหนความคิดหยาบๆมันดับเขว่าความปรุงแต่งภายในนั้นไหวตัวอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเรื่อยๆหมุนช้าบ้างหมุนเร็วบ้างเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะอยู่เดือนหนึ่งก็ไปกราบหลวงพ่อพุทธนะถึงเดือนหนึ่งไปหาท่านทีหนึ่งท่านกําลังมีงานวันบูรพาจารย์ หนึ่งถึงสามธันวาที่วัดป่าสารวันีจยจัดงานคล้ายๆงานไหว้ครูตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเลยเนี่ยหลวงพระพุทธเนี่ยท่านลูกศิษย์หลวงปู่เสาคนก็มาเต็มวัดนะพระก็เต็มวัดเลยนั่งอยู่บนเนศาลาไม้นะท่านอยู่ที่กุฏิเราไปถามกรมาามฐานท่านตัวนี้ว่าผมจะแก้ไงดีจะแย่แล้ว แต่ก่อนก็ยังถามเหมือนกันนะเหมือนที่พวกเราถามหลวงพ่อตอนนี้จะแก้ยังไงเนี่ยแต่ก่อนคนเรายัา ง, งโง่แต่ตอนนี้บางคนก็ยั ง, งโง่อยู่ยังถามอยีกเนนะลยว่าจะแก้ยังไงท่านก็บอกนะว่าเมื่อเราภาวนาถึงขั้นละเอียดขึ้นมานะมันเหลือแต่ไหวยิบยับมันยิบยับยิบยับเนี่ยสัมมวนพูดของท่านท่านพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอบอกว่าธรรมดา จิตมันก็ไหวยิบยับยนี่นะภาวนาผาถึงขั้นละเอียดก็มีแค่นั้นแหละสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็บอกว่ามันธรรมดาแต่ใจเรายอมรับไม่ได้มันทุกข์ใจเรายังปฏิเสธรู้สึกทุกข์ไม่เอาท่านสอนอยู่เกือบชั่วโมงนะพระก็ามาเร่งใหญ่เลยว่าคนเขาพร้อมหมดแล้วเขาจะทาพิธีแล้วเร่งใหญ่เร่งใหญ่ท่านมาเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อ น, อนตรงนี้สาคัญ พยายามช่วยแก้เราเนะะอนท่านเหนื่อยนะใจเรามันรับไม่ได้พอครูบาอาจารย์เมตตามากเนี่ยพอใจของเราติดขัดอยู่พอท่านฝืนเนี่ยท่านพยายามจะยัดเยียดเนี่ยท่านจะเหนื่อยมากเลยพอท่านเหนื่อยมากแล้วเราก็โอ้ไม่สาเร็จละก็บอกท่านว่าหลวงพ่อไปเทศในงานเถอะไม่มันเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางแก้เอาท่านก็ไป แล้วกลับมาดูอยู่ที่บ้านนะธรรมดาธรรมดาเมื่อไรมันจะหมดธรรมดานนี้สักทีทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยมันทำงานอยู่อย่างนั้นอย่งนี้ิบยับนยนิ บ, บ, บ, บ, บ, บนไม่ไหวนะเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวแต่เดิมมีปัญหาติดขัดเนะเขียนจดหมายไปท่านก็ตอบนี้เก็บไว้นะย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาจดหมายท่านหายไปหมด ครั้ น, นี้ถามท่านไปท่านก็ตอบมาแต่ครา้นี้สั้นจุดจูเลยเราเพิ่งไปทําตาใหม่ <c oughs> เขียนหนังสือไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองนี่ให้ทําเตรียมพร้อมหนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบลอเลยเปิดปุ๊บหน้าที่เปิดขึ้นมาเลยตอบเรื่องนี้โดยตรงเลยสิ่งที่ท่านตอบนะั้เหมือนที่หลวงพ่อพูดตอบเยี่ยบเลยพอเราอ่านแล้วเฮ้ยไม่สําเร็จอีกไม่สําเร็จ ใจมันเหนื่อยมากนะมันก็บอกตัวเองอวันนี้หยุดเจริญสติสักวันกถออุตส่ารุบเหมืนนะ่ะปลอบใจมันเองขาดสติซะหน่อยเถอะเหนื่อยเต็มปดาแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันก็ไม่ยอมขาดสตินะเห็นไหมจิตเนี่ยมีเป็นไปตามธรรมชาติที่เคยชินเราเคยฝึกขาดสติมันก็ขาดสติบ่อย เ, อเคยฝึกมีสตินะนก็มีสติมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายมันเนสติอัตโนมัติ ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบเรียกว่ามหาสติมหาสติมันเกิดอัตโนมัติทั้งวันทั้งคืนนะมันไม่ไม่หายไปไหนพอจิตมันเกิดสติได้ขนาดนี้มันจะเห็นสภาวะที่หมุนอยู่ภายในวัตตสงสารที่หมุนอยู่ภายในจิตหมุนจีจีจีหมุนไปหมุนไปนะไหวไหวไหวไหวแป๊บแป๊หมุนไปได้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย ปลอบใจมันไม่ได้โปรดขาสติมันไม่ยอมเพราะจิตมันเคยชินที่จะมีสติในสุดไม่รู้จะทำยังไงนะไปยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์จะไปทำงานแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยยังไม่ทันจะทำงานก็เหนื่อยธรรมดาแล้วเพราะมันเหมือนเราไม่ได้นอนมาเป็นเดือนเดือนเอาล่ืววาวันนี้ทำสมถะดีกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะยืนอยู่ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองเมืเราลุกสิทธิ์ท่านพ่อหลีท่านสอนไว้อย่างนี้หายใจไปแต่ท่านนับถึงสิบนะหลวงพ่อนับไปถึงร้อยแต่คราวนี้นับไปยี่สิบแปดครั้งไม่ได้ให้หวยนะหลวงพ่อไม่ต้องการให้รู้สึทธิ์นิสัยเสียเหมือนโลภมากไม่ทํามาหากินอะไรเงี้นไม่ดีต้องช่วยตัวเองชาวพุทธ น้ำไปยี่สิบปดครั้งแนละ้วจิตมันสงบลงไหมมันรวมเลยนะโลกหายไปหมดเลยเหลือใจอันเดียวยืนอยู่นนะไม่อยากลมนะก็ยังยืนอยู่อย่างนั้นเลยพอมันถอนขึ้นมาปุ๊บนะสติมันระลึกลงไปที่ไหวๆนะมันวางมันดีดตัวออกเลยนะโถเอ้ยง่ายนิดเดียวเซ่ออยู่ตั้งนานที่แท้จิตลงไปครุกอยู่จิตลงไปคลุกอยู่กับไหวๆไปครุกอยู่กับหมุน พอจิตมีกำลังพอในะจิตตั้งมั่น่อดีดตัวออกเลยนะตัวนั้นกระเด็นออกไปเหมือนลองวิกเอนเลยมีความรู้สึกเหมือนลองวิเอนมีความสุขจังโถเซอร์อยู่ทั้งนานง่ายนิดเดียวย่างที่แท้คือจิตส่งออกไปอยู่ที่ไหวๆนะในเวลาที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าชั้นไหนนะเว้นแต่พระอรหันต์อย่างจะเดินอรหัตตมรรคหรือเดินโสดาปฏิมรรคขั้นต้นเนี่ย ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านในธรรมะที่เรียกว่าวิปัสสนูแต่ถ้าปู่ทุชนเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนูนะแต่ในรอบถัดขึ้นไปเนี่ยเขาไม่จัดเป็นวิปัสสนูแต่อาการก็คล้ายๆกันอย่างเดียวกันเกิดด้วยเหตุเดียวกันคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานจิตถลําไปเป็นธรรมะอุทธัจจธ ร, รมมุทัจจะฟุ้งซ่านในธรรมะฟุ้งซ่าน ใจไม่ตั้งมั่นนะใจถลำไปเกาะสภาวะธรรมอัในใดหนึ่งอันนั้นทาไมรู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนสติมันมากไปสติมันล้ำหน้าไปสติกล้าแข็งเกินไปเป็นวิปัสนูอย่างหนึ่งนะหรือบางคนภาวนาพวกเราตอนนี้ก็เริ่มเป็นเยอะแล้วภาวนาแล้วใจโล่งว่างขึ้นมยสว่างสบายโลง่ลงๆว่างๆนะ แล้วจิตมันเคลื่อนไปจับอยู่ในความว่างนี่มิปั ส, สนูชื่อว่าโอภาษ์ะป็นะ ม, มิปั ส, สโนูบางคนนะั้นพอพิจารณาธรรมะนะั้นใจจะกระโดดเข้าไปในธรรมะเลยไปฟุง้งซ่านสุดขีดในธรรมะอาการคล้ายๆคนบ้าเวลาพูดธรรมะจะพลุ้งพลุ้งพงพล้งเลยเหมือนคนบ้าเพี๊ยบเลยแต่ไม่ได้บ้าหรอกพอไม่คิดถึงธรรมะนะพอไปคิดถึงอาธรรมก็หายเลยนะ พอไปคิดถึงธรรมะแล้วเหมือนคนบ้าพวกนี้ฟุ้งสั้นด้วยปัญญามากไปมีปัสจนุมีสิบอย่างนะคนมีปิติมีปิติวัดนี่ไม่ค่อยมีอะสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสูงๆคนชอบไปมีปิติไปหัดภาวนาสักพักหนึ่งก็จะมาอยู่ใกล้เราโดดเราทุบเาไม่กล้าเห็นแล้วรำคาญลูกตา มันจะปลื้มอะไรขนาดนั้นทาไมมันโง่ขนาดนั้นงั้นปลื้มมากเลยนะปิติมากโอ๊ยปลื้มปลื้มเจอหลวงพ่อแลปลื้มปลื้มไม่ค่อยรอดหรอกเดี๋ยวก็โดนทุบแล้วทำไมไม่มีสติปล่อยให้ความปรับปลื้มครอบงาจิตใช้ไม่ได้นั้นเราฝึกนะฝึกสติของเราไปได้อย่างคนไปหลงในโอภาษในความสว่างในความว่างนะ มันมีสติไปจับความว่างนะแต่ใจมันไม่ตั้งมั่นใจมันไหลไปงั้นเวลาทำมิปัสสนานะควรเห็นสภาวะเกิดดับเช่นเห็นความโลภเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วดับเห็นความใจลอยเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวความหลงคิดก็ดับไปรู้สึกขึ้นมานี่เห็นเกิดดับเห็นได้นิดๆหน่อยๆนะเขาเรียกว่าตารุณะอุทยพ ย, ายาัญาณดรุณที่แปลว่าเด็ก อุทยพยาญยญาณที่เห็นเกิดดับแต่เห็นระดับเด็กๆยังกิกก๊อกอยู่เนี่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเด็กประท้วงหาว่าเด็กกิกก๊อกเด็กไม่กิกก๊อกนะเด็กภาวนาดีๆเยอะๆเลยแต่ตระนัอุทยพยัญาณเนี่ยมันเห็นเกิดดับได้เพิ่งจะเริ่มเห็นไม่นานแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมีอุทัดจะความฟุง้งซ่าน มันฟุ้งเข้าไปในธรรมะสิบอย่างเช่นโอภาษแสงสว่างดูสว่างดูโล่งดูว่างฟุ้งไปในปีติฟุ้งไปในความเพียรเพียรทั้งวันเพียรทั้งคืนขยันภาวนาไม่เลิกเลยทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องไม่มีมีเวลาหยุดเวลาพักเลยหรือฟุ้งไปในปัญญาฟุ้งไปในปีติฟุ้งอะไรพวกนี้แหละสิบอย่างไปนับเอาเองไปหาเอาเองชี้สอน สอนได้ไม่หมดนะพ่อหลวงพ่อมีไม่ครบได้มาไม่ครบหล้วทำไม่ครบสิบอย่างถ้าเมื่อไรใจรู้ทันนะว่าจิตมันเคลื่อนไปเกาะสิ่งเหล่านั้นเนะ่จะหายทันทีเลยเมื่อนานานักหนามาละวยี่สิบกว่า ป, ปีก่อนเคยได้ยินหลวงปู่เทศสอนหลวงปู่เทศท่านสอนบอวิปัสสนูนี่ยเกิดเพราะว่าสมาธิไม่พอท่านสอนอย่างนี้นะบอกกาลังเดินปัญญาอยู่ทํา ปัญญาอยู่เห็นทมวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิมไม่พอเนี่ยก็ เ, เกิดวิปัสณูถ้าเพิ่มสมาธิขึ้นมาแล้วหายเมื่อก่อนได้ยินท่านพูดยังไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจพอมาภาวนานะ่ันมาเจอวิปัสณูโดยเฉพาะตอนหลังๆเนี่ยเห็นญาติโยมภาวนาหรือเห็นพระภาวนามันเกิดวิปัสสณูขึ้นมาดูออกละตอนเนี้เพราะว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันอยู่นอกๆ อ, ออกนอกไป เช่นมันคิดถึงปัญญาหมันคกอกระโจนใส่ปัญญาไปเลยฟุ้งซ่านในปัญญาไปหรือมีปิตินะไปนั่งสมมติไปนั่งเห็นครูบาจารย์แล้วก็ปลื้มไปจิตไปอยู่ที่ครูบาจจารย์จิตไปออกนอกพอรู้ทันนั่นเองจะตั้งมั่นขึ้นมานี่เราเห็นด้วยการปฏิบัติอามาอ่านพระสูตรทีหลังเนี่ยถึงเจอพระนลท่านสอนไวนะ้ในยุคครณนัสสุท ยุคราชสูตรเนี่ยท่านพูดถึงว่าคนซึ่งพยากรมรรคผลในสำนักของท่านมีสี่พวกมีสี่แบบพวกที่หนึ่งเนี่ยทำสมาธินำปัญญาแล้วเกิดมรรคขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิแล้วเกิดมรรคผลขึ้นมาพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันแล้วเกิดมรรคผลขึ้นมาจริ ง, รงๆการปฏิบัติมีสามแนวนี้แนะ อันที่สี่เนี่ยมันไม่ใช่แนวปฏิบัติอันที่สีก็คือเมื่อทำอันที่หนึ่งสองสามนะถึงจุดหนึ่งนะมันเกิดวิปัสสนุขึ้นมาท่านไม่ใช้คําว่าวิปัสสนุท่านใช้คําว่าธรรมะอุทัด จ, จะพอพูดเร็วๆก็เป็นธรมมุตทัด จ, จักธรมมุตทัด จ, จัจิตที่มันฟุ้งซ่านไปในธรรมสิบประการแล้วท่านบอกซื่อๆเลยนะว่าถ้ารู้ทันความฟุ้งซ่านอันนี้นะก็หายเลยนี่บอกอย่างนี้นะแล้วเกิดมรรคผลต่อได้บอกโอ้เรา อ่านพระไตรปิฎกมาตั้งหลายรอบนะเวลาอ่านมันผ่านๆเน่ยพอเราไม่ได้ภาวนานะอ่านแล้วมันไม่เก็ตพอเราภาวนาเราผ่านตรงนี้เราเคยเห็นตรงนี้แล้วอะไรเนี่ยพอไปอ่านเข้านะโอ้มันถึงหกถึงใจว่าจริงๆท่านสอนมาแล้วทั้งนั้นเลยมันไปตรงกับที่หลวงปู่เทศบอกนั่นแหละคือถ้ามีสมาธิขึ้นมันก็หายอุทัศจามตรงข้ามกับสมาธิพระนนบอกว่าถ้ารู้ท่านอุทัศ จ, จะก็หาย รู้ทันอุทัตจาอุทัตจาจะดับทันทีเพราะสติะระลึกรู้อกุศลอกุศลดับทันทีอุทัตจ่าดับทันทีจิตก็ตั้งมั่นทันทีนั่นแหละเกิดสมาธิขึ้นมาจิตเจะหลุดถอดถอนตัวเองออกมาจากทำสิบประการมีโอภาษเป็นต้นที่จิตเข้าไปติดอยู่แล้วก็เดินปัญญาต่อไปได้เกิดมากเกิดผลได้ทุกวันนี้ ต้องเริ่มพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นพวกเราพัฒนาดีขึ้นละถึงขั้นที่จะได้ลิมรสชาติของวิปัสสนูนแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่จําเป็นหรอกตอนสอนใหม่ๆเป็นเรื่องนิมิตเรื่งองเก่าไหมถ้าไปฟังตอนสมัยอยู่สวนโพนี่สอนเรื่องเอ้ยอย่างนี้นิมิตอย่างนี้เพ่งไว้แก้อย่างนี้อย่างนี้ติดสมถะอยูนะ่พอมาถึงวันนี้พวกเราพัฒนาขึ้นแล้วเรามาทําวิปัสนาแล้วเริ่มเจอวิปัสสนูแล้ว ถ้าไม่ทำวิปัสนาก็ไม่เจอวิปัสนาอุปาิเลส่าทำวิปัสนานะเห็นสภาวะเกิดดับในกายในใจถึงจุดหนึ่งก็เกิดวิปัสนาอขึ้นมาหนีไม่พ้นหรอกแต่อาศัยว่ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไว้ทำไมนะจิตที่ไม่ถึงฐานจิตที่ไม่ตั้งมั่นรู้ตรงนี้เอาตัวรอดได้ทุกวันนี้มีคนดูจิตนะดูจิตดูจิตดูจิตแต่ไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปปั๊บอยู่ข้างหน้าแล้วสว่างโล่งขึ้นมา คิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วมีนะไม่ใช่ไม่มี เ, เปบรรลุพระอรหันต์นะไม่ตรวจสอบให้ดีเลยว่าสภาวะพระอรหันต์ของตนเองเหมือนกับพระอรหันต์แต่ก่อนๆไหมไม่มีหูมีตาจะดูกูเอาแล้ววะใช่แล้ววะสบายแล้วติดในความโล่งความว่างแล้วบอกไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสหยาบคือกามและปฏิฆะอ แต่พอไปติดในความโล่งความว่างนะมันเป็นภพของผลมเวรกรรมและปฏิฆาไม่เกิดไม่ใช่เพราะเป็นพระอราหันนะแต่เป็นเพราไปติดอยู่ในภพที่ละเอียดที่ว่างที่ละเอียดชื่ออากาสานัญจยตนะบ้างชื่ออากินจัญญายตนะบ้างนะพวกนี้ไปอยู่ในว่างในความไม่มีอะไรคิดว่าบรรลุพระอราหารันแล้วก็เกิดฉเฉลียวฉลาดปราดเปลืองปิ้งขึ้นมา เออไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานก็ได้นะพวกเราทั้งหลายสารุสิตผู้น่ารักทั้งหลายเราอย่าเจริญสติปัฏฐานเลยอ้อมค้อมนะเราน้ําใจไปอยู่ในว่างๆนี่แหละไม่มีกิเลสนะตอนนี้เยอะนะคําสอนช น, นิดนี้เยอะเลยะมันก็แตกหน่อไปจากที่หลวงพ่อสอนนะเราสอนดูจิตขึ้นมาแต่เดิมครูบาอาจารย์สอนดูจิตแต่ท่านสอนเป็นคนๆ น, นะเรามาสอนเออกระลึก เกีียวกล่าวขึ้นมาตอนนี้ใครไม่ดูจิตก็เฉยอย่างเงี้ยดูกันใหญ่เลยดูกันใหญ่ดูไปแล้วก็เกิดโล่งเกิดว่างขึ้นมาก็คิดว่าบรรลุละบางคนไปนอ่านหนังสือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลพูดถึงธรรมะหนึ่งว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยคิดว่านี่ต้องทำตรงนี้ ตรงนี้เป็นผลหรอกตรงนี้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่มักนะตัวมักท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมักท่านไม่ได้บอกจิตเห็นความว่างเป็นมักนะงั้นพอน้อมไปให้ว่างนะไปจับอยู่ในความว่างเป็นภพที่ละเอียดนะเป็นอรูปภพตายไปแล้วเป็นอรูปประผพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตรัสรู้นะพวกนี้ยังไม่รับรู้เลยนะพวกนี้ไม่รับรู้ก็จะไปเพลินว่างมีความสุขอยู่แค่นั้นแหละน่าสงสาร คนมักง่ายนะไม่เรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีพระ เ, เจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นยังหยิบเชื่ออาจารย์นะน้อมใจให้ว่างไปติดในความว่างแล้วคิดว่าตรงนี้บริสุทธิ์หลุดพ้นตอนนี้แก้ไปได้หลายคนนะบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหรันต์ บอกอยังไงก็ไม่ฟังนะแต่อยู่ไปนานๆเ น, น, นี่ยสติแตกขึ้นมาสติแตกเลยนะแบบกรรมฐานแตกที่เขาเรียกกรรมฐานแตกเจ้าตัวเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกเหมือนธาตุไฟแตกจริงๆเหมือนเดินกำลังภายในผิดลมปรานแตกธาตุไฟแตกมันร้อนไปหมดเลยนะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแผดเผาตลอดเลยนี่พอธาตุไฟแตก ก็เลยรู้ว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรอกะไม่ใช่หรอกเราไม่ต้องตกใจนะเริ่มต้นใหม่มีสติรู้กายรู้ใจไปนั้นจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่ถึงฐานนะมันเกิดเกิดอาการพิลึกพิลั่นขึ้นมามานับหนึ่งใหม่มารู้สึกกายมารู้สึกใจพวกเรานับหนึ่งไว้ทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆจะรู้ถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันสามารถจะรู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้ไปจนหายโง่ รู้ไปจนกรทังล้างอาวิชชาได้เห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์รุนรุนจิตนี้ทุกข์รุนรุ่นถ้าเห็นได้อย่างนี้ต่อไปมันไม่ต้องมาเจริญปัญญาละต่อไปก็มีสติรู้กายรู้ใจรู้เล่นเป็นงั้นพระอราหารันตรู้กายรู้ใจไหมรู้พระอราหารรันต์เจริญสติปัฏฐานไหมเจริญแต่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานโดยวัตถุประสงค์เดียวกับพวกเราพระอราหันต์เจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเอง จ sea, right ิตท่านพลากออกจากขันไปแล้วจิตแยกออกจากขันส yeah. ่วนพวกเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้จิตมีปัญญาเพื่อวันหนึ่งมีปัญญาเห็นความจริงว่าขันเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์จิตมันจะพลากออกจากขันแยกออกจากขันเงันเวลาภาวนาถึงขีดสุดนะจิตจะพลากออกจากขันนี่ไปเจอในพระไตรปิฎกเหมือนกันมีเรื่องจิตพลากออกจากขันพลาดละขันเนี่ยเจริญสติปัฏฐานแล้วจิตพลากจากขัน นี่ตำราเรามีทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราภาวนาไม่เข้าใจนะเราก็อ่านไม่เข้าใจเหมือนเหมือนรู้ไม่รู้จริงนั่นเราภาวนาไปนะตอนนี้เราภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจปัญญาขั้นที่หนึ่งให้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราปัญญาเบื้องสูงให้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนั่นพวกเราตอนนี้เจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งนะให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรา คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจมันเป็นเราไหมเดี๋ยวมันก็หายใจออกหายใจเข้ามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนะเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์อยู่ในตัวของมันเองร่างกายนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าดูไปเรื่อยสั่งมันไม่ให้ป่วยได้ไหมสั่งมันไม่ให้เจ็บได้ไหมสั่งไม่ให้ตายได้ไหมเนี่ยเฝ้าดูของจริงลงไปเรื่อยในสุดปัญญามันก็เกิดเห็นเลมันไม่ใช่เราเราสั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้จริงเรมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ดูจิตดูใจก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตสุขจิตสงบจิตดีแต่ดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันตัวเราไม่มีหรอกจิตมันจะโลภมันจะโกรธมันจะหลงมันจะฟุ้งซ่านมันจะหดหูมันจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านหรือไม่หดหูมันจะสุขหรือมันจะทุกข์หรือมันจะเฉยเฉยเราเลือกไม่ได้เลยมันจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้เลยเดี๋ยวมันไปดูเดี๋ยวมันไปฟังเดี๋ยวมันไปคิดนะ ห้ามมันไม่ได้เล ย, ยเนี่ยเฝ้าดูของจริงไปเพื่อให้เห็นเลยมันทํางานของมันเองสารพัดเลยเราบังคับมันไม่ได้หรอกไม่ใช่เราหรอกนะงั้นเป้าหมายแรกของพวกเราที่จะภาวนานะภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราคนใดที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันลนะงานที่เหลือก็คือการพัฒนาสติปัญญาไปดูกายดูใจจนมันแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันวาง พอเห็นเป็นตัวทุกข์แท้ๆ เ, เรียกว่ารู้แจ้งในกล่องทุกข์แล้วมันก็จะไม่ยึดถือในใกายในใจชิดว่าพรากออกจากขันนะพรากออกจากกายจากใจพ้นทุกข์ไปเลยตอนนี้ยังไม่ต้องให้พรากบางคนพยายามจะพรากแล้วบางคนพยายามทํำลายผู้รู้ใจร้อนเกินไปขึ้นทําไปก็สติแตกเท่านั้นแหละให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานดูเขาทางานไปเรื่อยๆ วันหนึ่งปัญญาก็แจ้งขึ้นมาว่าเขาไม่ใช่เราหรอกเขาทำงานของเ้าเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาทำงานได้เองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่คงที่เฝ้าดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้พวกเราทุกคนดูกายดูใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกไปถ่าสทานข้าวตอนทานข้าวก็ดูไปเรื่อยนะ